ท่านอาจารย์พุทธธาสตร์ส่วนโมกพะละรามนั่นคือกล่าวว่าถ้าเลือกระหว่างวิมานบนสวรรค์เนี่ยทิชชู่เนี่ยกระดาษชำระหนึ่งม้วนเนี่ยถ้าเลือกเอาอย่างหลังนะคือเลือกเอากระดาษชำระ เหตุผลก็คือว่าพิมานเนี่ยเอาไปทําอะไรไม่ได้นะส่วนกระดาษชําระเนี่ยมันเอาไปทําประโยชน์ได้หลายอย่างเหตุผลของท่านก็น่าสนใจนะหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยข้อนยุคนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้กระดาษชําระมันเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย จกนกรทั่งดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่แต่สมัยที่พเจ้าจพุทธทาสท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเจอว่าในช่วงห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเรือว่าห้าสิบถอยหลังไปห้าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นองคหาง่ายนะ แม้แต่กระดาษชำระก็เป็นของที่ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้อย่างพุ่มเฟือยเป็นของที่หาได้ยากมันไม่ใช่แค่กระดาษชำระเท่านั้นนะอย่างอื่นด้วยโดยเพราะเมื่อคำหนึ่งว่าสวนโมกเมื่อ50ปีที่แล้วหรือว่าในช่วงตั้งใหม่ๆเนี่ยอยู่ในป่า ไกลาจากถนนต้องเดินเป็นชั่วโมงนะจากสถานีรถไฟภูมเรียงตอนนั้นยังไม่มีถนนสา ย, เอ เ, ยเอเชียผ่านเพราะนี่นมันก็ไม่มีความสะดวกสบายเท่าไหร่แม้แต่กระดาษชำระก็มีค่า เ, เคยเล่าให้ฟังแล้วนะเวลาท่านาจะใช้กระดาษชําระเนี่ยท่านจะแค่ดึงมาทีละทีละแผ่นทีละแผ่นทีละตอนทีละตอนกระดาษชําระนี่มันก็จะมีรอยประนะเป็นตอนตอนตอนตอนอสมัยนี้เวลาจะใช้กระดาษชําระที่เป็นมว้วนเนี่ยก็จะดึงมานะหลายตอน เพียงเพื่อทำในสิ่งที่ไม่จะเป็นขนาดนั้นเช่นเช็ดร อ, อยเปเปื้อนหรือว่าเช็ดน้ำที่มันซึมไหลกระโชออ ก, อกมาเวลาจาพืชทานจะใช้น้ำใช้กระดาษชำระเพื่อที่จะเช็ด น้ำที่มันเปืดอเปื้อนหรือแม้แต่น้ำแกงที่มันเปิดอเปื้อนโต๊ะนี่ท่านก็จะดึงมาแค่ตอนเดียวแล้วก็ก็จะใช้ให้คุ้มค่าถ้าเป็นการเช็ดน้ำนี่ท่านจะไม่ทิ้งนะท่านก็จะปล่อยให้มันแห้ง เหตุผลก็คือว่าจะได้เอามาใช้ต่อนะเพราะว่าเอากระดาษชำระเช็ดน้ำนะที่เปื้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้สกรปรกอะไรถ้าปล่อยไว้ให้แห้งเดี๋ยวก็มาใช้ใหม่ได้อันนี้ในแง่หนึ่งก็ชื่อเห็นถึงความประหยัดของท้าจาพุท ธ, ธาตอีกด้านหนึ่งก็ชื่อเห็นถึงว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยนะ แม้กระทั่งกระดาษชำระก์เป็นของหายยากแต่จะว่าไปแม้แต่แม้กระทั่งของที่มีมากมายชันก็ให้ใช้อย่างประหยัดนะหรือว่าบริโภคอย่างประหยัดเช่นน้ำเนี่ยน้ำน้ำดื่มเนี่ยส่วนมากเนี่ยอยู่จังหวัดสุราษฎร์นะฝนนะ่ะไม่ขาดนะ น, นะฝนแปดแดดสี่นะสมัยก่อนเพราะฉะนั้นน้ำฝนเนี่ยก็มีเยอะ แต่แม้กันนั้นเนี่ยนะเวลาจะเวลาลูกศิษย์จะล่นน้ําให้ท่านท่านก็กําชาว่าให้ลินน้ําแค่ครึ่งแก้วนะเพราะว่าก็ฉันเท่านั้นแหละแล้วก็แนะนําพระในวัดด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฉันน้ําดื่นน้ําเนี่ยก็ไม่ได้ดื่มทั้งแก้วนะก็ดื่มแค่ครึ่งแก้วอะไรที่เหลือทําอะไรก็ทิ้ง ใส่วนโมเวลาน้ำก็ไม่ใช่มีขาดแคลนเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ท่านถึงควรจะเป็นการใช้อย่างประหยัดใช้อย่างคุ้มค่าน ย, ยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันไม่ฟรีน้ำตาะกูลเนี่ยมีค่ามีราคาทั้งนั้นแพงกว่าน้ำมันอีกแต่ว่าเวลาดื่มน้ำใส่แก้วนี้ก็ มักจะดิ้นน้ําจนเกือบจะเต็มเสร็จแล้วพอดื่มหรื อ, อชั้นนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่หมดนะทิ้งถ้าทิ้งครึ่งแก้วนี่มันถ้าคิดเป็นเงินก็อาจจะหนึ่งบาทนะหรือห้าสิบตังค์มันก็ไม่ใช่เป็นเงินเล็กน้อยนะถ้ารวมกันนะเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยแต่ถึงแม้จะเล็กน้อยก็ไม่ควรจะ ใช้ให้มันทิ้งไปอย่างศูนย์เปล่าที่สวนโมอญท่านก็ประหยัดหลายอย่างนะแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเมื่อห้าสิบหกสิบปีที่แล้วที่จริงสุกโตเนี่ยเมื่อสามสิบปีที่แล้วนี่ก็เรียกว่าขาดแคลนหลายอย่างนะมันไม่ใช่มีสิ่งมากมายอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน จำได้ว่าสมัยเมื่อสาสิปีที่แล้วเนี่ยแม้แต่พระพุทธรูปเนี่ยก็มีแต่พระพุทธรูปองค์เล็กๆทำด้วยแก้วทำด้วยกระจเนี่ยทำด้วยแก้วราคาก็ถูกๆนะก็วางอยู่บนโต๊ะเล็กๆที่ใช้เวลาทำวัดก็มีประมาณสี่ห้าองค์ แต่เดนนี้นี่เรามีพระพุทธรูปนี่องค์ใหญ่ๆนะมากมายทั้งที่ศาลาหน้าทั้งที่หอตไต้ทั้งที่ศาลาน้ำเมื่อรัก30าสิบปีที่แล้วเนี่ยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดที่มีเนี่ยก็คือหลวงพ่อขาวนะซึ่งตอนนี้ก็เอามาไว้ที่ศาลาหน้านะใต้ถุนจักร น, นี่ อยู่ข้างบนสาราหน้าก็ทำด้วยปูนะนะแต่ว่าเขาหล่อได้สวยก็มีเท่านั้นแหละนะไม่มีมากไปก่อนั้นแต่เดนนี้เราดูเสียมีพระธุโลกนะหลายองค์ทีเดียวออันนี้ก็ส่วนนึงก็เป็นเรื่องของศรัทธาญาติโยมนะ อี่ส่วนหนึงเป็นเรื่องของยุคสมัยด้วยเพราะว่าเดนนี้เป็นยุคที่เรียกว่ า, าผู้คนมีความพรั่งพร้อมทางวัตถุเมื่อสามสปีก่อนนี่อะไรแล้วก็ขาดแคลนนะไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงนะมันไม่มีใช้ไฟฟ้าก็จะก็ต่อเอาจากจากหมู่บ้านป่าไม้นะเรียกว่าแคมป์ สมัยก่อนนี่มันเป็น อ, อปอก็มีหมู่บ้านป่าไม้เช้าๆก็ปั่นไฟกับตอนเย็นคนระึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราก็ได้ใช้ไฟแค่นั้นแหละ๋เดี๋ย ว, ยวนี้ไฟก็มีนะอย่างาสบายตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ได้ในอดีตเนี่ยแม้กระทั่งตัวหมู่บูชาก็ไม่รู้จักนะ ต๊ะหมูบูชาเนี่ยเป็นของหายากโต๊ะที่จะตั้งพระพุทธรูปก็ต้องต่อเองเล็กๆแบบชาวบ้านตอนหลังก็เริ่มมีคนถวายโต๊ะหมูบูชาเจานนิวัดในชนบทก็มีต้ะหมูบูชากันทั่วไปหมดที่จริงอนี้มันเป็นธรรมเนียมเจ้านะต้ะหมูบูชานี่มันเป็นธรรมเนียมที่ออกมาจากในวังสมัยก่อนนี่ อย่าว่าแตา่วัดป่าเลยนะวัดบ้านในเมืองก็ไม่มีโต๊ะหมูบูชาเป็นของหายากราคาแพงแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เคยเป็นของราคาแพงในอดีตก็กลายเป็นสิ่งที่เห็นกันได้อย่างสามัญทั่วไปสมัยผมบวชใหม่ๆเนี่ยบาสเตเลร น, นี่ก็ไม่ค่อยไดม้มีโอกาสใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่ ใช้บาทเหล็กเนี่ยมาจนกระทั่งพรรษาที่แปดนะถึงค่อยมีโอกาสใช้บาทสเตนเลสแล้วก็ไม่ใช่บาดสเตนเลสใหม่เอี่ยมนะรับทอดมาจากพระที่ศึกน ะ, ะก็ศึกผมก็ได้ใช้บาทสเตนเลสตอนนั้นพรรษาเก้าแล้วถึงได้ มีวาสนาใช้บาทสเตนเลตนะแต่เดี๋ยวนี้นี่บวชแค่ห้าวันเจ็ดวันก็ใช้บาทสเตนเลตกันแล้วเพราะมันาหาง่ายหรือว่าคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นไอ้ความขายแคลนของยุคสมัยเมื่อสามสิบปีก่อนีนสมัยนี้นึกไม่ออกกันนะเพราะแม้กระทั่งวัดป่า ที่อยู่ใไกลอย่างภูห ล, ลงเนี่ยวัดป่ามหาวันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จักควาว่าขาดแคลนแล้วไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันเจวอนี่นีเยอะจนกระทั่งไม่รู้ว่ า, าจนกระทังไม่มีที่เก็บแล้วนี่ขนาดอยู่ไกลนะอันนี้มันเป็นเรื่องของยุคสมัย ซึ่งเราก็ควรจะรับรู้เอาไว้เพราะว่าอาจจะไปคิดว่าเนี่ยไอ้ความความสมบูรณ์พังพร้อมนี่มันมีมานานแล้วหรือมันมีมาตั้งแต่เกิดจริงๆไม่ใช่มันเป็นของที่เพิ่งมีเมื่อไม่กี่สิบ ป, ปีมันนี้แหละแต่แม้จะมีความพั่งพร้อมบริบูรณ์นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะบางคนไปเข้าใจว่า ถ้ามีน้อยก็ต้องประหยัดนะแต่ถ้ามีมากก็ต้องใช้ฟุ่มเฟือยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิน้นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าแม้จะมีมากนะแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักใช้อย่างรู้ค่าใช้อย่างประหยัดนะอย่างเช่นจีวอนเนี่ยนะมีเยอะนะแต่ก็ไม่หมายความว่านี่เราจะใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยบางรูปมีจีวอ สองสามผืนนะอีกน้พระวินัยก็มีได้แค่ผืนเดียวแหลนะเป็นจีวรที่ฐานถ้ามีเกินก็เลยอัติเลกจีวรนะเก็บไว้ได้แค่สิบวันนะเป็นอย่างยิ่งนะตามพระวินัยนี้ถ้ามีเกินหนึ่งนี่ก็ต้องวิ ก, กับนะวิ ก, กับนี่แปลว่ามีเจ้าของร่วม อย่างที่เราสวดในปฏิโมกเนี่นะพิกูุวิ ก, กัพจีวรแก่พิกสูตุสามะเนนผู้รับยังไม่ถอนนุม่มหอมจีวร น, นั้นนะก็เรียกว่าปาจิตตินะวิ ก, กัพก็คือว่ามีเป็นเจ้าของร่วมนะจะใช้แล้วก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ถอนก่อนนะเราจะใช้ได้อันนี้ก็เป็นวินัยที่มุ่งให้ภาเนี่เราอยู่กันอย่างเรียบง่าย แต่เีนี้นอกจากจะมีบอจีวอหลายผืนแล้วยังใช้อย่างผู้อุ่นเฟือยพอจีวอเริ่มจะสีซีดก็ไม่เอาละจะเป็นจีวอหรือผ้าอาบน้ําฝนอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ประหยัดนะหลวงพ่ออมเขียนเนี่ยนะท่านมีผ้าอาบน้ําอยู่ผืนหนึ่งฉันใช้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆจนกระทั่งถึงตอนที่ผมมาอยู่กับท่าน ตอนนั้นท่านก็บวกไม่ได้สิบหกสิบเจ็ดพันษาแล้วท่านก็ยังใช้อยู่เราก็ใช้ต่อมาอีกหลายปีที่ไม่ได้ใช้นี่เพราะไม่ใช่เพราะมันขาดนะแต่ว่าเพราะมีคนทําหายนะก็คงไม่คิดว่านั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อท่านใช้มาอย่างยาวนานหลวงพ่อท่านกวดขันนะแล้วก็แนะนำ เวลาซักจีวร น, นี่ก็ไม่ต้องบิดนะอย่าบิดให้บีบเฉยๆนะเพื่ออะไรเพื่อรักษาเนื้อผ้าเพราะถ้าเราบิดแล้วเนี่ยนะมันก็จะอยู่ได้ไม่นานฉันให้บีบนะหรือว่าถ้าไม่ไม่ต้องบีบแล้วก็ได้นตากเลยถ้ามไม่ต้องตากแต่ก็พึ่งลมก็ได้ผ้าจะได้อยู่นานๆนะอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเรียนรู้นะจากการสังเกตนะทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราใช้ชีวิตพระเนี่ยอย่างเรียบง่ายถึงแม้ว่าจะมีของเยอะนะก็ก็ควรจะใช้อย่างรู้ค่าสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกนะพวกนี้เนี่ยนัต้องรักษา คอยรักษาคอยระวังไม่ให้หนูมาคาบเอาสบู่ไปไม่ใช่วางสบู่นะไว้ไม่เป็นที่หนูมันก็คาบไปพอคาบไปก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเดี๋ยวไปเบิกใหม่มีเยอะอันคิดแบบนี้ไม่ถูกนะเพราะมันทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนประมาทอาจารย์พุทธาบอกว่าธรร ม, มะนี่เป็นเรื่องละเอียดนะคนจะเข้าใจธรร ม, มะได้ก็ต้องเป็นคนที่ละเอียดลออ แล้วความเรียดร้อสุนก็เกิดจากการที่ใช้เข้าของบริการเนี่ยอย่างใส่ใจอันนี้รวมถึงการขบชันด้วยนะชันนี่เราก็ชันอย่างลูก ค, ค่านะตักมาเท่าที่พอกินนะไม่ใช่ตักมาเอาความอยากเป็นประมาณพอฉันไปแล้วอิ่มเหลือก็ทิ้งคนสมัยก่อนนี่เขา ก็กินข้าวจนเม็ดสุดท้ายเลยส่วนอือพ่อข้าวมันหายากแล้วก็มันต้องใช้แรงงานนะกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนี่มันยากเหลือเกินแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ลูกค้าวเพราะเราไม่ไม่ไม่ได้ทำทานาดได้ตัวเองข้าวมันก็หาได้ง่ายราคาถูกแต่ก็คนที่เราจะเอ่อบริโภคหรือชั้นนอย่างอย่างใส่ใจ เพราะถ้าหากว่าเราไม่ไม่ไม่ใส่ใจเนี่ยนะกินที่ที่่องคว้างหรือว่าใช้ของอย่างไม่ประหยัดเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเสียหายในเชิงวัตถุนะแต่ว่ามันจะทําให้เกิด น, นิสัยที่ไม่ดีกับจิตใจเช่นนิสัยมักง่ายนิสัยมักง่ายเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วนี่มันถอนยากนะทําอะไรก็ทําแบบลวกๆทาแบบเร็วๆหรือว่า ทำแบบไม่ใส่ใจเนี่ยเรือย่านที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าจะทำให้เป็นคนที่ติดสบายติดสบายเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องการโขบการชันนี่มันมีเยอะถึงแม้เราเป็นพระในยุคนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีความพังพ้องบริบูรณ์แต่การอยู่อย่างเรียบง่ายก็ยังจำเป็นพอทีาเราใช้ชีวิตสบายมากไปเนี่ยต่อไปมันก็จะติดสบายแล้วคนเราพอติดสบายแล้วเนี่ยนะมันก็กลายเป็นอุปสรรคนะอุปสรรคในการพัฒนาตนอุปสรรคในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นพอรักสบายแล้วเนี่ยนะ จะไปอยู่ป่าจะไปที่กันดาลเพื่อหาความสงบในการเจริญภาวนาก็ไปไม่ได้คนอย่างนี้จะไปไหนเนี่ยก็จะต้องถามว่ามีสัญญาณโทรศัพท์ไหมมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไหมถ้าไม่มีก็ไม่ไปอันนี้แสดงว่าติดความสบายแล้วหรือว่าติดสัญญาณนะอินเทอร์เน็ต แล้วก็เลยกลายเป็นตัวขัดขวางทำให้การพัฒนาตนมันเกิดขึ้นได้ยากทุกวันนี้หลายคนก็ต้องการความสงบนะแต่ความสงบเนี่ยมันมักจะอยู่ในที่ที่มันไม่สบายมันไม่สะดวกอย่างเช่นที่นี่นะกว่าคนจะมาถึงและสัมผัสความสงบได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลา เราก็ต้องเลือกนะระหว่างความสงบกับความสะดวกเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน <c oughs> นะถ้าต้องการความสงบก็ไม่สะดวกไม่สบายแต่พอติดความสะดวกสบายแล้วมันก็ถึงแม่อยากจะหาความสงบก็ไปไม่ได้เพราะว่าติดความสะดวกความสบายหรือต่อไปเนี่ยนะ อาจจะไม่ใช่ต่อไปหรือทุกวันนี้เนี่ยนะพอเราเคยชินกับชีวิตที่มันพรั่งพร้อมบริบูรณนะ์พอจะไปอยู่ในที่ที่มันลำบากนะก็จะเกิดความทุกข์เกิดความทรมานมันก็กลายเป็นสิ่งกีดขวางการที่เราจะได้พบสิ่งดีงามนะความเจริญก้าวหน้านในจิตใจ และความสบายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจนติดก็เพราะการที่เรามีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากมายแล้วก็ใช้สอยอย่างไม่ระมัดระวังนะใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยมันก็กลายเป็นติดนะนอกจากจะเกิดความมักง่ายแล้วก็ยังเกิดความรู้สึกที่ติดความสบายอเด็กที่ติดความสบายเนี่ยก็ยากนะที่จะเจริญก้าวหน้าไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากทําการบ้าน นะไม่อยากาเตรียมตัวสอบเพราะมันไม่สบายนะอันนี้มันก็เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่เหมือนกันนะะดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ให้มีสตินะระแบทดระวังถึงแม้ว่ามันจะมีความอุดมสมบูรณ์ความพรั่งพร้อมความสะดวกสบายก็ก็อย่ายไปใช้โอกาสเหล่านั้นนะ อย่างไม่ละมัดระวังนะสิ่งที่เราสวมเมื่อสักครู่เนี่ยนะการนอนการนั่งในที่อันสงัดความรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยหรือการอยู่อย่างเรียบง่า ย, ยาเป็นสิ่งที่เราพึงสังวรอยู่เสมอของที่มีมากแค่ไหนเราก็ยังใช้อย่างรู้ค่านะถึงเวลาเจอของของมันขาดแคลแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วยิ่งเป็นพาด้วยแล้วเนี่ยนะมันยิ่งจําเป็นต้องอยู่แบบเรียบง่าย ทำที่บ้ปนพิชิตควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งสิบอย่างเนี่ยนะอันแล้วก็พิจารณาหมันพิจารณาสองวันอยู่เสมอนะต้องทําตัวให้คนใหเป็นคนเลี่ยงง่ายนะเพราะชีวิตเราเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ได้เพอผู้อื่นนะก็ต้องอยู่อย่างเรียบง่ายนะเราจะเอาจะพกนิสัยอย่างคารวาสนะมาอยู่วัดโดยเพราะเมื่อบวชแล้วเนี่ยนะ มันไม่ได้นะถ้าจะอยู่วัดอย่างมีความหมายเนี่ยนะมันก็ต้องรู้จักที่จะหัดดัดแปลงที่จริงความเป็นอยู่ที่วัดป่าสุขโตเนี่ก็สบายกว่าที่อื่นเยอะแล้วใครลองไปหมูไปอยู่วัดอื่ น, นบนหลังเขาเนี่ยหรือไปภูหลงก็ได้วัดป่ามาหาวั น, นก็จะรู้เลย ว, ว่า ให้ความสะดวกสบายต่างกันเยอะหลายคนอยู่สุกโตแล้วพอไปผู้หลงก็บ่นว่ามันลําบากนอาหารก็ไม่อร่อยนะไม่ถูกปากไม่เป็นนิน่งยังจะรู้เลยว่าเนี่ยที่สุกโตเนี่ยนะจะเรียกจะว่าไปแล้วก็สะดวกสบายไม่น้อยเลยแต่ถ้าอยู่แล้วนี่ก็ยังรู้สึกอึดอัดนะยังเรียกร้องอยากได้ความสุดวกสบายมากกว่านี้เนี่ย อันนี้มันก็แสดงว่าติดความสบายการฝึกให้ตัวเองเนี่ยอยู่อย่างเรียบง่ายเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันทำให้เราเป็นอิสระกับอิสระจากวัตถุมากขึ้นเรื่อยๆอิสระภาพเป็นสิ่งที่มีความหมายนะเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการแต่ว่ามักจะถลำเข้าไปเป็นท่าของความสะดวกสบายโดยไม่รู้ตัวแล้วก็คิดว่าเนี่ยการมีสิ่งของมากมายจะทาให้มีอิสระ การไปเวลาเข้าห้างแล้วมีของขายมากมายมียี่ห้อหลายยี่ห้อขายให้เลือกได้คนคิดว่านี่คือเสรีภาพแต่หารู้ไม้เนี่ยมันมันทำให้เราเนี่ยเป็นนะเป็นทาตนะสิ่งอำนวยความสะดวกไปไหนไม่มีข้าวของเครื่องใช้มากมายแบบนั้นเนี่ยก็อยู่ไม่ได้อึดอัดบางคนในขั้นทุรนทุราย เหมือนกับคนที่ติดโทรศัพท์เนี่ยคิดว่าโทรศัพท์มันให้เสรีภาพกับเรามีสัญญาณโทรศัพท์สามารถที่จะติดต่อผู้คนได้ทั่วโลกจะดูหนังดูฟังเพลงนะช่องไหนประเภทไหนก็ได้เขาคิดว่านี่คือเสรีภาพอิสระภาพแต่พอไปที่ที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณนี่ก็ลงแดงเลยนะเพราะอะไรพอติดมันซะลกลายเป็นทาต ที่ไหนที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ไปจะไปเที่ยวทะเลจะไปเที่ยวนะน้ำตกนะมีสิ่งสวยงามมากมายแต่เพราะว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่ไปนะอันนี้แสดงว่าเป็นธาตุมันสละนะและเสรีภาพที่คิดว่ามันให้เราเพราะว่ากลับกลายเป็นถูกจากัดเสรีภาพนะเพราะว่าการติดในความสดวกสบาย การเป็นพระเนี่ยเรามาเรามาเนี่ยเพื่อฝึกให้จิตใจมีอิสระอิสระอันนี้คือการไม่พึ่งพาหรือว่าเป็นธาตของวัตถุนะอาศัยมันก็จริงแต่ว่าไม่เป็นธาตของมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะหรือว่าก็มีเพียงแค่พออยู่ได้ประทังช่วย อ, อยู่ได้ก็พอแล้วนะให้เรารู้จักกับเสรีภาพแบบนี้บ้างนะเสรีภาพที่ไม่ที่ไม่ ถูกกำหนดครอบงำโดยความสะดวกสบายหรือว่าวัตถุสิ่งเสพเนะีจะไปในที่ที่มันลำบากก็มีความสุขได้นะไม่มีน้ำอัดลมไม่มีอาหารอร่อยกินก็มีความสุขได้นะให้เรารู้จักกับอิสรภาพและความสุขชนิดนี้บ้างนะอาการบวนเนี่ยมันเป็นโอกาสทำให้เราได้สัมผัสได้เจอนะกับ อิสรภาพและความสุขอย่างนี้แหละนะไม่ต้องอิงวัตถุไม่ต้องอิ ง, อ ง, องความสะดวกสบายแต่มันเกิดจากความสงบภายในคำนี้ก็เพื่อเท่านี้นะอารับคัะ